คอยกำหนดคู่ลมนั่นแหละไว้เรื่อยๆลมเข้าหรือลมออกก็ให้คอยกำหนดรูาลมมันออกรูป ล, ลมมันเข้าลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้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 ให้กล่าวไปสู่ความพ้นทุกข์อยู่ดีๆจะพ้นทุกข์ได้ยังไงไม่ได้อยู่ดีๆต้องโค้นไป ไ, ไม่ได้ต้องทำกิจของเราให้สงบเสีย ก, ก่อนพอกิจสงบแล้วจึงค่อยพิจารณาเมื่อกิจสงบแล้วก็พิจารณา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 เป็นผู้ไกลจากกิเลสอาลหวังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถทำลายจิตใจของโพงได้แต่พวกเราคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้บรรลุมหาโคดนี่ยังไม่รู้ว่าคนกิเลสมันเล่นงานตลอด มันให้โลกมันให้เกิดราคะความกำหนัดยินดีมันให้เกิดโทสะความคิดประทุความประทุชลายด้วยความโกรธมัหะคือความหลงไม่รู้อริยสัจ ส, สี่ไม่รู้ทางนี้จากกองทุกข์ แต่พระพุทธเจ้าพรทรงรู้อรหันแปลอรหัน์อรหัน์แปลผูู้้ผู้ไกลจากกิเลสกิเลสไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าส่วนพวกเรายังมีกิเลสอยู่เราต้องปฏิบัติให้กิเลสมันห ม, หมดไปกิเลสหมดไปก็แปลว่าเข้าถึงความสุขความสงบ ความเบิกบานเกียมใสเพราะไม่มีกิเลสก็มันไม่มีหนามหนามต่ำใจของคนราคะมันก็ต่ำใจโทสะมันก็ต่ำใจมันหนามเลยมันหน้ำหนากามปังโกการมาตะกัดตะโกเปียกตุมคือหนาคือหนามคือ เปียกตมคือหนาำหนามปากใจของเรากิดเลสนะเราค่อยแก้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะได้รับความสุขสบายพระพุทธเจ้าเป็นพระหัน์พงก็สุขสบายไม่มีกิดเลสอนไะ้เข้าไปตำใจของโพง ส่วนพวกเราผู้ยังไม่พ้นนี่ก็อันนั้นก็ต่ำใจ น, นี้ก็ต่ำใจกระตุกตกระเทือนอยู่เรื่อยๆไม่แน่วแนทสกอย่างเดียวเกิคดความลังเล ส, สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีจริงพระพุทธเจ้าม่จริงสถานที่ประสูมก็มีเขาก็ทําเสาไว้เสาหลักไว้ให้ลูก สูงจากพื้นดินขึ้นไปหลายเมตรฝังลงไปในพื้นดินตั้งแผดเมตรมันไม่มีใครจะมาขุดคนได้ง่ายๆนั่นก็เป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าโคดิชาประสูติตรงนี้ปัจจุบันอยู่ประเทศประเทศอะไรละ่ะออาจารย์ปประเทศเนปาลปัจจุบันอยู่ประเทศเนปาล ต่อเคดกับอินเดียแล้วแหละมีหลักฐานยืนยันแน่นอนพระพุทธเจ้ามีจริงที่ประสูติทศรูที่ทศรูก็มีเจดีย์ใหญ่สูงมากใหญ่มากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวไว้ในนั้น แ, แสดงธรรมาจากก็มีที่แสดงธรรมมาจากตุมองพารานาสีพาานาสีแต่ก่อนเราเห็นมลำเขลำเนี่ยเป็นพระชาะเมืองสาวธีเราก็ไม่รู้ว่าเมืองสาวธีเป็นยังไง พอเราไปดูเมืองสาวธตีโอมันไม่มีบ้านมีเรือนอะไรมีแต่กลองอิดเขาไปทำความสาดไว้ว่าตรงนี้แหละที่ไว้เงินไว้ทองของอของอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีเงินมีทองมากเมืองสาวธตีก็มีเมืองพารณาณสีก็มี ที่ประสูตรก็มีที่ตัสลูก็มีที่แสดงธรรมาจากก็มีที่เมืองสาวทีนก็ที่เมืองพาราณสีนะมีหมดละไม่ใช่ไม่มีที่ปรินิพานก็มีที่เผาศพก็มีศพเจ้าก็มีเป็นเนินดินกองสูง นั่นแหละพระพุทธเจ้ามีจริงก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ ว, ว่าพระองค์สั่งสงความดีมาหลายภพชาติมาปัจจุบันชาตินี้จึงได้ตัดสรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 นวตัดสูชอบคือไม่เป็นรักวิชาวความรู้ของใครพระองค์รู้พ อ, องค์เห็นพระองค์สํลรกจิตบริสุทธิ์ได้จริงไม่มีใครเสมอเหงอนพระองค์ทั้งในโลกนี้แ ล, โ ล, ะ, ละโลกปัจจโลกในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าประเสริฐ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 สุขโตไปแล้วโดยดีดคือไปสู่ที่ไหนสเสด็จไปสู่ที่ไหนก็ทำที่นั้นให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการปฏิบัติธรรมจนสามารถบรรลุมากผลไปตามโพธิเจ้ามีเป็นอนีมากมายกายกองคนที่ปฏิบัติตามของสอนของพะพธิเจ้าแล้ว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 เป็นพระเดียบกคลโชดาศกิทาคาอนาคาละหันสามารถบรรลุได้หมดแหละทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาพุทธเจ้าตัดว่า บ, บริษัทศีภิกษุภิกษุดีอุบาศกอุบาสิกาภิกษุณีไม่ใช่ไมชีนะภิกษุณีคือบวชมีศีลสร้อยสิเข้อ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 พระพุทธเจ้าประเสริฐเราทำตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนประเสริฐธันวาโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดการ ม, มาโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์รู้แจ้งหมดไม่ว่าโลกไหน โลกเทวดาก็ทรงรู้โลกศัสนาโลกก็ทรงรู้ตัวหมดโลกมนุษย์เราก็รู้รู้แม้กระทั่งคนที่จะมาปฏิบัติคือมานับถือศาสนาของขุนเจ้าจิตใจของคนเหล่านั้นก็สว่างสวยด้วยคุณสิ่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าโลกก็มีทุรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามองทรงรู้ทรงเห็นหมดเป็นสิ่งหน้าตา จ, จ, จันทร์ไม่เคยมีมา ก, ก่อนจนกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้จนจึงจะได้ยินคําคําสอนเหล่านี้อันนี้คําสอนพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่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 ไม่ติดไม่คล้องไม่ติดในอะไรสักอย่างเหมือนอย่างครัวอาจารย์พูดนี่มุนท่านมาในงานตะบุญอายุท่านเราน้อมบาทเข้าไปถวายท่านบาทใบนั้นราคาหมืน่นหมื่นกว่าท่านฝาท่าง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 สอนมนุษย์ไทยบรรลุมาโคตรเหมือนกันแต่ก่อนที่ประเทศอินเดียเนี่ตั้งแต่สกว่าปีมาแล้วนี่ศา ส, สนาพุทธเจ้าเรานับพ่อซอตั้งแต่พุทธเจ้าพริลิมิานแต่พุทธเจ้าสอนศาสนามาตลอดเวลาตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้ตัตตสรู้เป็นสมาสมาสิกมุตตะเจ้าแล้ว ตั้งแต่ได้ตัดสรู้เป็นพระสมาสพรพุทธเจ้าแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลานา น, านเวลาที่พระองค์ทรงใช้อยู่ในชีวิตพระองค์มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านน่ะใช้เวลาห้าสิบสี่สิบห้าพัน จึงเสด็จดับขันรินิพานตลอดเวลา 45,000 ปาน้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติมุ่งมั่นสั่งสอนอบรมให้ชาวอินเดียนี่ได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงแต่อินเดียนี่ก็แปลกงหนึ่งคือศาสนาพราหมณ์ตือศาสนาฮินดู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 ตามพระุทธเจ้าเข้าสู่กานิพานหมดเลยแต่คำสอนแล้วนั้นก็ยังเหลือมาถึงพวกเราเหมือนเดิมไม่ได้สูญหายไปยังมีอยู่เหมือนเดิมยังดีอยู่เหมือนเดิมอยู่ในตู้ขวัใจพิดกที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีที่ยังไม่แปล ก, ก็มีจะเอาแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น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 หมายควาว่าเราตั้งสติตามคำสอนของพุทธเจ้ามีสติหาใจออกมีสติหาใจเข้าหาใจเข้าก็รู้หาใจออกก็รู้จิตใจลวก็นแน่วแน่เยน็นสบายไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับอะไร กิจใจเราไม่กังวลใจแล้วก็สงบเย็นสบายนี่แหละพูดโทรเนี่สำคัญถ้าใครเนื้อุูดโทรได้ตลอดก็เป็นยอดเหมือนกันอาณาปานสติที่เราศึกษาปฏิบัติกันอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าใครทำได้ก็ได้มากได้ผลเหมือนกัน ได้ความรู้ได้ทานได้กิญยาเหมือนกันได้ปฏิสัมพิธาเหมือนกันทิ้งไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเอาได้ทั้งหมดก็แปลว่าเราสร้างวาระมีมามากคือพบก่อนจะก่อนเราทาบุญเรา ไ, ไม่ขาไม่ทอดทิ้งไม่หวันไหวในการทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดจิตใจของท่านเหล่านั้นก็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 ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เห็นผิดไม่เห็นความผิดไม่เห็นความถูกใจแต่อารมณ์มกันเบียดเบียนกันว่าให้กันดุด่าว่าเกา่าไม่พยายามหนีจากทุกทุกมันมีอยู่ทุกคือความเกิด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 เราทำไม่ได้เท่านี้เราจะทำอะไรได้ละ่ะในโลกนี้แค่ลมหายใจจะคของยังทำไม่ได้จะไปได้มากได้ผลได้พระนิพพานมาจากไหนเริ่มต้นมันก็ต้องมากำหนดลมหายใจเข้าออกนั่เองรมเข้าออกยาวก็รู้จักลมออกสั้นก็รู้จักนี่แหละ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 ให้คนปฏิบัติตามอนาปานสติคมเหมือนเหมือนกันแหละเป็นอนุ ส, นสติส0บพุทธานุสติธรรมานุสติอนาปานสตินั่นการหลดลมหายใจเข้าออกให้มันได้สิ่งอื่นอย่างอื่นยากคานี้เรายังทำได้อันนี้เราจะทำไม่ได้จริงๆหรย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 สอนที่มนุษย์ที่มนุษย์เข้าใจได้นี่แหละทำตามได้นี่แหละท่านจึงว่าสถาธีวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพยายามปฏิบัติไปอย่าถอยอันนี้มันก็ ง, ง่ายเราทำให้มันได้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 ยังไม่ตายนี่มันก็เก็บเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนั่งบางที่ตั้งแต่คว า, ามั้งสิบแปดนก า, าะจะถึงตีสี่จนถึงเอาปานนั่นนะไม่ใช่ธรรมดานั่งเหมือนันสติกะจอนิ่งอยูอกออย่กับอารมณ์นั่นไม่ให้มันไหวไปไหน ไม่คิดเรืองน้มไมห่คิดเรื่องนี้คอยนิ่งอยู่คอยดูมันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรามีสตินิ่งดูตลอดเลยอย่างนี้เราก็ทําได้ปวดขาไหมถ้ากินเป็นสมาธิแล้วมันไม่ปวดขาหรอกถ้ากิดได้เป็นสมาธิ มันถึงปวดแข้งปวดขาเป็นนั่นเป็นนี่ถ้ากิจเราสงบเป็นสมาธิแล้วโอ้โยมันไม่ปวดขานี้ก็ไม่ปวดนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ปวดที่มาถึงแล้วมาสู่อารามวนนี้แล้วต้องเอาให้จริงต้องเอาให้มันได้ อย่าไปท้อถอยอย่าไปหาทางออกว่าจะหลบนี้ไปทางไหนนอ น, นไม่ได้มาเสียเสียเวลาเฉยๆ เ, เราต้องทำให้กิจเราสงบให้ได้พอพูดอย่างนี้ก็จริงจังเข้าไปวันนี้เราก็ทำให้มันได้นีลยได้ก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอก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 ความตายเรามารู้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเวลาเกิดมันทุกข์แค่ไหนเวลาแก่มันทุกข์แก่ไหนไม่ใช่แก่อ ม, ม, มนะเริ่มตั้งแต่อายุหกสิบปีขึ้นไปเริ่มเหนื่อยเริ่มมื่อยแล้วเริ่มท้อเริ่มถอยแล้วนี่คนที่จะให้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 ไม่รู้จักเหนื่อยจะทำอะไรก็รีบทำไม่สักชาไม่ดีรอแต่พออายุหกสิบปีแล้วมันถอยกำลังแหละคิดจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันทําละเขาจึงให้กเกษียณเขาให้พักผ่อน นี่แล้วเริ่มแก่แล้วคนหกสิบติแก่แล้วกิตใจก็ไม่สู้ไม่ดิดขาดเหมือนยังนมแล้ะเพราะนั้นความแก่เนี่ยก็ไปหาความตายเหมือนมะม่วงที่มันสุกต่อไปมันก็ลวงลดลงมาต่อไปก็นอนเจาะนอนกินมาแรงวันไตาตอมเน่าเสียไป ลือแตเมล็ดข้างในนะั่นะคนเราในสุดก็คนก็จะกระดูกนั่นแหละกระดูกเราใส่ธาตุใส่เกียร์ดีน้อยไปตามหลกกระแพงวัดนะต่อไปรุ่นหลานรุ่นเหล้ น, ล น, ล น, ล น, ลนไปแล้วก็ไม่รู้จักว่าเป็นกระดูกของใครลเลยเขาทุบทิ้งไปเลยอันอ น, นห่วงอะไรคนเราเกิดขึ้นมา เราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแน่นอนละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่นีจากเราหรอกเราก็ไม่นีจากมันมันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอันนี้คือความจริงแต่ว่าความจริงอันประเสริฐพอคนมาลู้มาเข้าใจมาถ่ายทอนความยึดมัน่นถือมันได้เนี่ รูกร่างกายตัวตนคนเราเนี่ยชัดเจนในใจเพราะมีสมาธิเป็นตัวนุนปัญญาเกิดขึ้นตัดสู้อริยมรรคอริยผลได้เป็นพระดีบุคคลในพุทธศาสนามีจากกองทุกขรไดองเลยเนี้ยถ้าภาวนาอย่างนี้นี้จากกองทุกได้เลยไม่กลับมาทุกอีกในวัตสงสารอันนี้อันน้นดโชคดี บอกยาโยมโชคดีโชคดีตัวยังมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ถึงแม้มันจะเข้มข้นก็ให้อุดทนเอาเพื่อผลประโยชน์ของเราเองอย่าเดินหน้าถอยหลงังอยู่ไม่ได้ต้องมองุ่งมัน่นปฏิบัติให้จริงจังไม่ท้อไม่ถอย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 สัตว์นรกก็บรรลุทำไม่ได้สัตว์ดิลสานง ม, มากาไก่ก็บรรลุทำไม่ได้มีมากมีผลไม่ได้ไม่รู้จักมันรู้จักแต่เข้าสารทั้นกับข้าเปลื อ, อ, อกเพราะฉะนั้นก็รู้จักแมลงเม่าที่มันตอมเเสาไฟ ตอนเช้ามาไก่มาเคีย่ยวทั้งวันน่ยเคีย่ยวทั้งวันได้เตร็มเหนียงเตรียมอะไรมันเท่านั้นเองอัน น, น่ยมันไม่รู้จกักพุทโธตโมสังโฆเลยหรอกพุทโธภูตูปุติเจ้าก็ไม่รู้จักธรมโมพระธรรมมันก็ไม่รู้จกัมม ก, จกสังโฆมันก็อยู่กินข้าวก้นบาทนี่นานแล้วแต่มันก็ไม่รู้จกักเหมือนกัน ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักว่าธรรมไม่รู้จักว่าสงฆ์อืมอ่นไม่รู้จักมันรู้จักตีเหยื่อเข้าเปลือกเข้าสารท่านี้มันเกิดเป็นสติละสารก็อาภัพเรียกว่าอาภัพภาบุคคลเป็นหน้าก็ตามเป็นทีเป็นเป็นนาก็ตามเป็นงูก็ตามเป็นปีดเป็นไก่ก็ตามเป็นวัวเป็นควายก็ตาม เป็นอย่างนั้นแล้วก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแม้แต่เป็นลิงก็ยังฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั่นอาภัพที่ได้เกิดเป็นลิงสักร้อยครั้งมันก็ไม่ได้บรรลุมากคนมันไม่รู้จากทานมันไม่รู้จากศีลมันไม่รู้จากปัญญาไม่รู้จากทานศีลภาวนาปัญญา ไม่รู้จักเดินผ่านวันมันก็ยกไม่ยกมือไหวเราเหรอกไม่ได้กระพือปีกไหวเราหรือทำอะไรที่จาไหวเรา ไ, ราไม่มีดีไม่ดีเราต้องหลีกมันนั่นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันเป็นอย่าง น, นี้ได้เกิดเป็นคนได้เป็นเทพเป็นเทวดาอันนี้ก็ดี ที่ว่าโชคดีแต่ว่าอย่าทิ้งความโชคดีให้หมดไปอย่าคิดว่าชาตินี้พบนี้ไม่ได้อะไรแล้วเอาภาพชาติหน้าพบหน้าเธออยากจะคิดอย่างนั้นชาตินี้เรายังทําไม่ได้ชาติหน้าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นคนอีกหรือเปล่าหรือเราจะเป็นเป็ดเป็นไก่ก่อนจะตายกิดเป็นกถือเป็ดไก่หรือเป็นห่วง หมูห่วงม้ากะในที่สุดก็ตายเป็นเป็ดเป็นไก่แล้วก็ยึดเอาความเป็นเป็ดเป็นไก่นั้นเป็นที่เกาะแห่งใจในที่สุดก็กเวียวายตายเกิดอยู่ในความเป็นไก่เลยแหละไม่รู้เมื่อไหร่จะคนจากถูงสตินั่นนี่แหละให้พยายามปฏิบัติให้มันได้มากได้ผลขึ้นมาอย่าถือว่าชาตินี้ เราไปไม่ทันหรอกไม่ทถึงหรอกอย่าไปคิดมักพ้นยังไม่พ้นสมัยท่านหลวงพ่อชาว่าหลวงปู่ชาว้าน้องป่าพงว่าะมักพ้นยังไม่พ้นสมัยท่านบ่าพอคนชอบพูดกันเนี่ยสมัยนี้ไม่ ม, มากค้นหรอกมันหมดแล้วอันนั้นไม่รู้ความจริงตาราบใดที่มักแปดยังมีอยู่กันปฏิบัติตามอริยมรรโยงแปด ยังสมบูรณ์ดีอยู่และปฏิบัติตามอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยโน้นพระพุทธเจ้าแต่ธรรมดามาเลยห้าพันปีนี่มันมันเรื่องเล็กน้อยถ้าคนทำตามแล้วปฏิบัติตามมาเกดของพระพุทธเจ้าแล้วคนล น, นั้นก็นีทุกได้เลยชาตินี้พบนี้แหละ ในเป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละเราจะนีจากกองทุกได้จะนี้ีจากความวุ่นวายได้เกิดเท่าไรก็ทุกเท่านั้นเนยถ้าไม่เกิดยิ่งไม่ทุกพอมีเกิดก็ต้องมีเจ็มีเจ็บ ม, มีตาย หมุนเวียนนี่โซกับปริทีวัทุก่ะทุกมนัสะอุปยาศสะนั่นดูสิความสุขความล่ำรลยล่ำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแคนใจเป็นทุกข์แค่ไม่มีสินหา้ามก็ทุกข์แล้วไม่ต้องเอามากเอาข้อกามีอันเดียวครอบครัวแตกสลายเลย ไม่สำรวมในก ร, รมคือไม่กินดีผัวเมียไปกินดีสิ่งอื่นคนอื่นหลายผู้หลายคนทุกก็ต้องเกิดขึ้นมากมายตายแล้วยังไปทุกข์ในนรกอีกนี่แหละไม่มีศีลก็ตกต่าไม่มีทานก็ตกต่าไม่มีภาวนาก็ตกต่า เกิดมาแล้วทไม่ทำทานไว้ไม่รักษาศีลไว้ไม่ภาวนาหรือปฏิบัติธรรมจะเราเราจ ะ, จะหาความสุขมาจากไหนเราจะได้มรรคได้ผลได้อย่างไรมรรคผลมีอยู่คนไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ถ้าคนทำตามก็เห็นไหมหลวงปู่มันหลวงปูส่ส หลวงพุทธกระดูกเป็นพระธาตุหมดทุกองครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกบูมันทั้งหลายแลยก็อธิฐานก็เป็นพระธาตุหมดเลยตกผึกงใส่เรืองของหลวงพุทธเนี่ยใสมากเลยก้อนใหญ่อาตามาเอาไว้ก็ใส่ที่อยู่บาคนอื่นก็มีหลายคนกลายเป็นพระธาตุหมด อาจารย์จวนอาจารย์วันเป็นประทานอาจารย์ทิ้งทองกระดูกเป็นประทานต้องปู่ครูว่าอาจารย์หลปูเทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรต่อหลวงปู่อะไ ร, ะไ ร, ะไรที่ตายไปแล้วก็เผาเศพเสร็จกระดูกก็กลายเป็นเก็บไว้ก็กลายเป็นพระทาตุหมดมกระดูกธรรมดา ย, ยัางแสดงปฏิหารในป่า น, นั้น เพราะนั้นพักผ่นมันยังมีอยู่เราต้องเอาให้ได้เรามาพบมาเจอแล้วอย่าท่ออย่าถอยให้ตั้งใจใปฏิบัติเราให้มันได้ให้มันถึงทำถูกมันแค่เดียวเหมือนเราสอดชนเข็มนี่แหละมันเสียกมันถ้ามันไม่ถูกมันก็ไม่สอดไม่ได้ ถ้ามันถูกมันสวดิ์ได้ทันทีอันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าเราคอยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกได้มีสติสมาธิได้มา ก, ก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนน้าม่วงที่เราปลูกไว้ในดินมันเป็นต้นเป็นลำมาต้นมันแก่มันพร้อมที่จะมีดอกก็ออกดอกอันนี้ก็มีหมากมีคนนั่นแหละ เป็นอะคนในอยู่ได้กินพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรายังทำความภา ค, คามเพียนอยู่เราก็ต้องนี้ทุกได้แน่นอนไม่ว่าทุกอะไรอย่างพระองคุริมาเห็นไหมฆ่าคนมาเป็ น, นพันๆฆ่าคนมากมายเลยตัดนิ้วมือไว้วางไว้ตามตอไม้ตามอะไรกากาเขาคาบกินหมด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 อาจารย์รนักศรทธาผิดละทำลายลูกศิษย์ของตัวเองท่านเลยไปกลายเป็นนักฆ่าฆาคนมากใครๆก็กลัวขนาดผู้หญิงท้องอยู่เพราะพระองคุริมานเท่านั้นเลยโอ้ยเยวลาดเลยลูกในทอ้องค้อออกมาได้เลยนะเพให้ว่าพระ อ, องคุริมานใครๆก็กลัว ท่านทำบาปไปมากปกติต้องไปไม่ในนรกแต่พอปฏิบททัติธรรมศรัทธานในพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าไม่นานได้สาเร็จเป็นพระรหันเลยเวลาไปวินทบารในหมู่บ้านเขาควางนกควงกาเขาไล่กาไล่นกเอาควานควงมันก็อยู่มาถูกหัวท่านถูกตัวท่าน แต่ลวันเขาพินาบาบในเลือดไหลอาบตัวพระบุตยาวทุกที่เธอได้ทับอยู่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มากมายอะไรที่คนทำอะไรแล้วก็เกิดมาถูกท่านให้เลือดตกยางออกเนี่ยมันไม่มันไม่เท่าไหร่หรอกให้อดทนเอา แต่ถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระละหันียท่านจะต้องไปไหมในวันโลกนานเสนนานพก็ฆ่าสัต์ตัดชีวิตไว้ดูสิแต่มีพอท่านปฏิบัติทำบรรลุเป็นพระละหันแล้วเป็นพระละหันแล้วพ้นจากกิเลสแต่กองทุกข์แล้ว ปากฏว่าท่านไม่ต้องไปนรกเลยไปพระนิพพานเลยหลังจากตายแล้วอันนั้เราอย่าโ้ยบายเราขอทำนั่นนี่มันสกรปรกเราก็ล้างสิเอาศีลเราทำเขาไปล้างเอาสะาตัวเองเอมันตบเหมือนโคนเนี่ยมันมาตกตัวเราจะเป็นโมดเป็นคูดเป็น ของสุภโภกอะไรก็ตามมาถูกต้องเราเข้าไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาน้ำสะอาดมาล้างเหมือนเราดำเนินชีวิตในโลกนี้คนที่ไม่ทำผิดมันก็หายากและก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาผิดก็ผิดถูกก็ถูกในโลก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 ไม่ได้ไปหวงวเรื่องโรคอวเยวจี๋อะไรหรอกนั่นเราก็เอาของดีล่างของชั่วทำดีไว้ทำชั่วทำชั่วไว้ให้ผลทั้งนั้นไม่ว่าเราทำความดีหรือทำความชั่วก็ให้ผลแก่เราทั้งนั้นดีก็ให้ผลชั่วก็ให้ผลเราเลือกทำเอาได้เลยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลือกทำเอาได้ จะเอาบาปให้ ม, มากก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ฆ่าพระหันดูสิทำร้ายพทุเจ้าจนพระโลหิตท่อทำสงห้แตกสามัคคีกันนะนนนเราจะทำบาปหนักขนาดไหนก็ทำได้ทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดนะเราจะทำเอามากขนาดไหนก็ได้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 ผิดก็ต้องมีถูกก็ต้องมีมันแก้ไขกันไปอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราปฏิบัติตามคามําสอนของพระพุทธเจ้าในบรรลุมปุณณตามนั้นได้จริงๆมีจากกองทุกได้จริงๆริงนั่นแหละเอาตอนนี้แล้ว เธอผู้เป็นบินยูชนไม่อ้วดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดของการปฏิบัติคืออรัตผลอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นาน นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิตใ ด, ดที่ศาสดาผู้อินดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจะพึงทาแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง พวเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเรื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย